Book two. t n o Two. s m a c h i ครอ a m i l y Unaro. Unaro. o Ta. t t e s h e t e s Ya. ยายนันนชนันนชเขาและเธออรอรอรอรพ่อททแม่เน่่เขาและเธอ อาร์อาร์อาร์อาร์ลูกชายควควลูกสาวผู้ผู้เขาและเธออาร์อาร์อาร์อาร์ พี่ชายน้องชายชชพี่สาวน้องสาวชุบหุบเขาและเธออร์อรอรอลุงอา นาอตชอันชอติชอันชป้าอานาอติชปอันิชปูอติชปูอันิชปเขาและเธออรอรอร <R. S 2> เราเป็นครอบครัวเดียวกันเธอดูนอูครอบครัวที่ไม่เล็กเธอจูนอซึกบเจูนเอาซบครอบครัวใหญ่เธอจูนเอยิน แต่ที่วันหน้ยน